คือกลุ่มในเรื่องการทำดีหรือในขณะที่การทำทุจริตทั้งหลายมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ติดการเมพูดปดเป็นต้นเนี่ยในขณะนั้นตันหามานาทิฐิโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยปรากฏชัดแจ้งเลยกลุ่มเหล่านี้แรงแรงจริงๆเนะคือถ้าหากกลุ่มเพิดอเพลินกับตันหานี่ติดใจในอารมณ์นี่โอ้โหยงมาก ทิฏฐิคือความเห็นผิดในขณะนั้นก็เกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะแล้วในขณะนั้นก็มานะบอกาการกระทาของเรานี่มันถูกมันควรเลยนะมันใช่อะไรเนี่ยเพราะเราทําไปแล้วมันได้ความสุขนี่มันได้ความเพลิดเพลิน เ, เนี่ยเคยเป็นไหมใครเคยเป็นไหมเนี่ยต้องถามกลุ่มที่อยู่ในเพศเละว่านานๆเนี่ยเนี่นยมั น, มนใช่ไหม ถ้าถ้าลักษณะนี้โอ้โหถ้ากลุ่มเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ไม่ต้องพูดเลยถ้างั้ น, น<ช>ดื่มดำมากในกลุ่มพวกเนี้ใช่ไหมถ้ากลุ่มเป็นนักดนตรีด้วยใช่ไหม<ช>บอกโอ้โหถ้ากลุ่มนี้จะดื่มดำลึกซึ้งละเอียดละออมาก<ช>ละเอียดมากเ<ช>วลา<ช>ฟังอะไรนี่จิตใจจะตามลึกเลยนะกลุ่มเหล่านี้นะ<ช>ลึกเลยยังไปแยกแยะรายละเอียดยังมีตันหาพิสดารลงไปลึกกาอีกนะมันมีหลายกลุ่ม กลุ่มที่เอาสาระเอาเนื้อเพลงมาเพื่อทำให้ราค้าเกิดกลุ่มที่เอาสาระเอาเนื้อเพลงมาเพื่อทำให้ทิฏฐิเกิดนะ mm. บางทีราค้าเกิดทิฏฐิไม่ทิฐิไม่เกิดก็มีคือมาน่าเกิดแทนบอกเออเนี่ยเรามันเหมาะกับเพลงนี้นะชีวิตของเรามันเหมาะเนี่ยเลยถ้าเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกมันโอ้โหประทับใจมากเนียนเป็นไหม แต่อย่งบางเพลงที่เราฟังนะเนื้อเพลงเขาทาให้เราตูใจไม่ใช่คือให้สะท้อนแต่ก็มันก็ไม่แผลกับพวกสิ่งที่ไปยินรัตนี้ถ้ายกตัวอย่างเลยก็ได้นะอย่างเพลงลิงขโลรเนี้ยพี่ว่าเพลงน็้เพลงที่ชอบมากก็คือเอถ้าเราชอบอย่างผิดหรือเปล่าความได้ยีครั้งใดก็จดน่เลยเนื้อเพลงเขาจะเป็นแบบว่า แม่ลิงที่อุ้มลูกลิงแล้วก็โดนโดนคนยิงตายเนี่ยเขาปกป้องลูกเขาแล้วก็เรียกพ่อลิงมาว่าให้มารับลูกไปจะเสียงทำนองเพลงที่หวัวขวนเหมือนทำนองเพลง พ, พงวกพยาโศอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อหาอะไรเนี่ยเราฟังครั้งใดเราก็จะสนุดใจอ๋อชแต่ถ้าจางบอกว่าฟังเพลงแล้วติดแล้วดีอ่ะแล้วก็มัน<อ>คื อ, ค, อคือปัญหามันอยู่ตรงนี้ถามว่าในเรื่องการฟังเนี่ย สาราคองเพลงอยู่ตรงไหนเห็นไ้มรจริ ง, รง<ต>คือว่านะคือว่าสาระของเพลงเมื่อมีสาระมันต้องบอกว่าคือมันอย่างนี้ีโ ย, ย, ยมต้องสังเกตดูตรงนี้หนึ่งเจตนาของผู้ร้องเพื่ออะไรว่าเป็นเจตนาเป็นบุญหรือเป็นบาปนั้น น, นประการหนึ่งใช่ไหม อันนั้นามันก็จะออกมาโดยหนึ่งไอสาระของเพลงนั้นนี่เขาเรียกว่าออกมาจากกุศลเจตนาทีนี้ถ้าเจตนาเขาเป็นบาปไออย่างนั้นก็สาระของเพลงนั้นทั้งเพลงก็เป็นบาปอยู่แล้วออทีนี้ามามาเราอันนี้ไม่เกี่ยวกับเขาแลวเกี่ยวกับเราเรานั้นสามารถตรึกบุญหรือบาปอารมณ์ที่เกิดจากบุญหรือบาป ผลการกระทําที่เกิดจากบุญหรือบาปนั้นให้เป็นบุญและบาปได้อยู่ที่เราแต่ถามทําได้มไหมล่ะเอออยู่ตรงนี้ไงแต่ท้าวทำได้ไหมออทีนี้ถ้าถามว่าสาระของเพลงให้ความขยันให้ความกระตันยูให้ความรักความสามัคคีไ อ, อ้อย่างนี้มันก็เป็นพระธรรมนั่นแหละมันก็เป็นกุศลธรรมนั่นเลยไ อ, อ้ตรงนั้นเป็นกุศลอยู่แล้ว ไดถามมาแล้วผู้เสพหรือเสพยังไงใช่ไหมผู้ฟังฟังยังไงแตมันติดตรงนิดหนึ่งตรงที่ว่าเสร็จแล้วเราก็ชอบฟังเพลงเนี้ยเนี้ยเพราะว่าเราก็ต้อ ง, ง, งมีเพลงหรือเปล่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าปัญหาว่าไอ้คำว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเนี่ยชัดไหมถ้าจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ ก็ต้องต้องชัดเจนตรงนี้ให้ดีใช่ไหมถ้าไม่ชัดเจนคําว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะยังแยกตรงนี้ไม่ออกถามว่แล้วจะไปไปถามใครจะไปถามใครว่าเออเราคิดอย่างนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปท่านผู้นั้นจะต้องรู้จักราคะเป็นอย่างดีก่อนว่าเป็นยังไงสภาวะของราคาเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมานะมีความเกี่ยวข้องในอารมณ์แค่ไหนยึดติดในอารมณ์แค่ไหนแม้ยึดติดในบุญยังเป็นบาปเลย แม้ยึดติดในบุญยังเป็นบาปใช่ไหมใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เราไปยึดติดนี่มันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปผูกไปยึดติดเป็นสิ่งที่ฟังแล้วต้องได้ความสลดใจหรือได้ได้เจริญกุศลอย่งยิ่งขึ้นไปได้ศรัทธาเพิ่มขึ้นวิริยะเพิ่มขึ้นสมาธิเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นและปัญญาเพิ่มขึ้นอันนี้ฟังไว้เถอะอะไรก็ได้ฟังไว้เถอะ แต่่ต่าังก็วปัญหามันอยู่ตรงนี้นะถามแค่ฟังทำเนี่ยฟังได้ทุกคนไหมบางคนฟังทำบาปยิ่งเกิดเนอะก็นี่พระธรรมแท้ๆยังเป็นขนาดนั้นเนะี่ยแต่ถ้าเราไปดูหนังฟังเพลงหรือไปสนทนาอะไรกับใครแล้วเนี่ยมันเพิ่มตรงเนี้ไปเถอะไปทุกวันเลย ไปบ่อยๆท่านผู้นั้นใช่แล้วนั่นแหละคือกัลยาณมิตรนั่นแหละคือกัลยาณมิตรนะและจะเป็นคตินิมิตเป็นอย่างดีเพราะเราทำด้วยความตั้งใจด้วยความเต็มใจก็ ก, ก็ก็ดูตรงนั้นเป็นประมาณเพราะสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้เป็นตัวที่เราไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากก็แยกออกนะเนี่ยนะตรง น, นี้เริ่มแยกออกด้วยซ้ำไปเพียงแต่เราตรึกพิจารณาไหมตอนนั้นนะ ไม่ใช่ว่าไปกันตัวเองว่าอุ้ยไม่ได้คิดมากเดี๋ยวบาปคิดคิดมากเดี๋ยวฟังไม่ไม่ดีหรถ้าไปถ้าไปตรึกมากอะไรมากเดี๋ยวตายเลยเราจะฟังไม่สนุกทั้งหลายเราจิตเราจะน้อมฟังแล้วก็สอเขาหน้าแล้วนั่นนก็มาแย้งอีกแบบเาพระาจาก็ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจก้ความกังวลมาเลยว่าถ้าถ้าหากว่าถ้าฟังอย่างนี้แล้วแยกออกไหมทั้งนั้น ถ้าแยกออกแยกยังไงแยกยังไงคือเราไม่ได้ขวนขวายในการฟังแต่เมื่อเราได้ยินเนี่ยเราจึให้รู้ว่าสิ่งที่ใช่ ถ, ถ้าอย่างเนี้ชัดเลยไหมไม่ใช่เราขวนขวายที่จะไปฟังมันหรือเข้าหาเขาถ้าอย่างนี้มันไอการขวนขวายเนี่ยเราก็รู้ว่าสาระของพระธรรมในนั้นจริงๆไม่ใช่มากหรือไม่ใช่ทาปัญญาระดับใดๆให้เกิดขึ้น ที่สุดจริงๆก็คือว่าถ้าพิจารณาอย่างนั้นๆก็คือว่ามันไม่ดีอะ่ะที่สนใจถามที่หมายถึงว่ายังสนใจตัวเองหือว่าเมื่อเราเกิดได้ยินขึ้นมาเรายังนึกชอบเพลงอยู่อยเงี้ยเราผิดหรือเปล่าหรือเปล่าถ้าหากว่ามันมันอยู่ตรงนี้อีกอย่างนะอยู่ตรงที่ว่าเออตรงนี้เนะี่ยบ่ถามว่าการเจริญกุศลเนี่ยถ้าหากว่าเราเจริญกุศลไป ระดับหนึ่งเราก็บอกว่าเออการฟังเพลงระดับนี้ดีเพราะฟังแล้วทําให้เราตรึกถึงบุญมากขึ้นเออมันยังดีอยู่สําหรับคนคนนั้นแต่เชื่อไหมว่าถ้าหากบุคคลนั้นจะเจริญบุญมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตรงนั้นไม่ใช่ฐานที่จะเพิ่มบุญแต่ถึงถึงเวลานั้นหรือ ย, ยังอะถ้ายังไม่ถึงมันก็ยังต้องฟังอยู่นั่นแหละใช่ไหม เ, เปิดฟังเรือเ่อยๆฟังบางคนคือเราพอเราได้ยินใช่ไหมเพราะว่าเราต้องอยู่ นเข้าใจตรงนั้นเลเข้าใจเพราะว่าตรงนั้นก็ตรวจสอบตนเองไปในที่สุดจริงๆคําว่ารักตนเองก็ต้องชัดเจนใช่ไหมคำว่ารักตนเองรักตนเองเนี่ยถามว่าในขณะนั้นจิตที่รักตนเองนะั้นเนี่ยถามว่าจิตอะไรก็สังเกตตรงนั้นให้ดีเพราะการกระทําทุกอย่างคําพูดทุกคําพูดใจที่คิดนึกทุกอย่างมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วคือเรา การกระทํานั้นเราไม่ได้ทําให้ใครเลยเราทําให้เราบางคนก็บอกอจะไปดีไปชั่วไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็รับเราก็ทําอยู่แล้วแล้วเราก็รับของเราเองอยู่แล้วไอ้สำนวนพูดนะไอ้สำนวนพูดกับการกระทําเพราะไม่เห็นโทษเนี่ยพูดแบบไม่เห็นโทษก็พูดกันแบบเนี้ยสมัยก่อนสมัยก่อนอาจารย์ก็พูดแบบนี้พูดกับตัวเองก็พูดแบบเนี้ยบอกเออมันไม่เห็นจะเป็นไรเลยเรากล้าทําแล้วต้องกล้ารับผิดชอบเวองกันน่ะเนื คนอย่างเราเนกนละก้าทต้องกล้ารับผิดชอบเวอเลยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ไปกล้ารับผิดชอบเนี่ยเคยเจอหนักๆ ห, หรือยังเคยเคยขึ้นบนเขียงเออบนขอโทษทีไอ้บ น, บ น, บ, นบนเตียงแล้วให้คนผ่าตัดเล่นมั้งหรือยังเคยถูกโรคภัยใครเจ็บเบียดเบียนขนาดหนักแล้วเลยถามมาตอนนั้นทนได้ไหมนะไม่เห็นมีใครสักลายที่ทนได้ร้องทุกรลายขอความช่วยเหลือแทบทั้งนั้น ก็นึกตรงนั้นก็แล้วกันเน่ยนะว่ามันก็สมควรถึเหตุอยู่แล้วแต่ถามว่าที่มาปรารพอย่างนี้เพราะอะไรก็ปรารบเพื่อให้เข้าใจคตินิมิตใช่ไหมอีกประการหนึ่งก็คือปุบพระเจตนาและอปรรษเจตนาในการทำดีและทำชั่วเนี่ยรู้จักปุบพระเจตนามั้ยเจตนาก่อนกระทำใช่ไหมอภรเจตนาคือเจตนาที่หลังกระทำแล้วอปรรนี่หลังนะ หลังทําดีแล้วทําชั่วหรือก่อนทําดีและทําชั่วเนะี่ยเกิดขึ้นติดต่อกันอย่างไม่สั่งสาเคยเป็นไปแล้วโอ้โหเกิดนานเนะี่ยมันเกิดแรงจนะัดเนี่ยก่อนทําแต่ก็ไปทํานั่นแหละไปไปทำไปเสร็จแล้วกลับมาหลังทํายังโอ้โหตรึกอยู่นั่นแหละพิจารณาอยู่นั่นแหละถ้าแม้ถ้าตรึกบุญก็โอ้โหคิดถึงบุญอยู่นั่นแหละแต่ร้อยทั้งร้อยเท่าที่ถามหลังทําบุญกลับมาคิดถึงบุญน้อยที่สุด แต่ถ้าหลังทำบาปกลับมาชื่นชมบาปนี่มากจริงๆมากจนถึงขนาดน้อมที่จะไปทำอีกครั้งไปทำอีกครั้งนั้นเพราะผลของอัปปราเจตนาเนะนี่คือผลของอัปปราเจตนานะมองให้ดีเหว่าบางทีบาปไม่ได้มากอะไรเลยนะแต่มันเป็นบาปมากเพราะเราทำบ่อ ย, อยเราไปคิดบ่อยไปทำบ่อ ย, อยให้สังเกตดูบางคนเวลาจะละบาปแต่ละทีมันทาไมละยากฮะ ละยากจริงๆนะเพราะเราน้อมคิดถึงเขาเนี่ยวันละกี่ครั้งเราไม่เคยนับได้เลยเนะี<ม>่ไอ้อระเจตนาตรงนี้น่าเป็นห่วงยกตัว อ, อย่างเช่นอายกยกตัว อ, อย่างอย่างน ะ, ะมีงานมหาลศบที่เราตั้งใจว่าจะไปแต่งานนั้นมันมั น, ม, นมันเป็นเดือนนะกว่าจะมีเนะี่ยลองคิดดูเราตรึกทุกวันตั้งแต่วันที่เรารู้ แปลว่าเราเตรียมการทุกวันไปทุกวันอะไรทุกวันแล้วภาพเหตุการณ์ก็เกิดปรากฏรอหน้าด้วยเช่นว่านักร้องดังที่สุดจะมาแล้วใช่ั้ยประกาศไว้ก่อนแล้วอีกเดือนหน้าเนี่ยนักร้องดังที่สุดจะมาจากต่างประเทศแล้วจะต้องเตรียมไปรอรับที่สนามบิน น, งนุงอะนี่กลุ่มนี่แรงมากเนะกลุ่มนี่แรงมากใช่ไหมพอพอไปถึงใช่ไหม มุนจากเจตนาก็ชัดเจนเลยเต็มที่เลยใช่ไหมพอหลังจากไปดูไปรายเบ็ดเสร็จแล้วทตเนี้ยเฮอหลังจากนั้นมาแล้วเราคุยกันทุกวันถ้ายกโทรศัพท์คุยกับเพื่อนก็ฮัลโหลเป็นยังไงแล้วจะต้องสนทนากันเรื่องนี้เป็นเขาเรียกว่าจะต้องมีเรื่องแบบนี้ติดไปนวมทุกครั้งเวลาสนทนาว่ากันนัภาษามวยก็ว่ากันน้นนี่ภาษามวยก็พูดกันเนี่ยก็ประเภทติดไปนวม ก็แปลว่าจะต้องมีเรื่องนี้มากล่าวทุกครั้งถ้าอย่างนี้เนี่ยนี่บาปถ้าบุญอย่างนี้ก็เป็นบุญถ้าทำบุญได้อย่างนี้อลองนึกถึงบุญที่เคยทาบ้างดิแล้วปลาลบจนประทับใจนยปลา ร, รบทีไรเราขนลุกสู้เลยหาไม่เจอเลยบางคนโอยไม่เจอเลยทเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ปลอดภัยเรื่องกรรมะเออคตินิมิต จะมาปรากฏเพราะมันไม่สางซาเล ย, นะ เ, ยนเนี่ยนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยกลุ่มเหล่านี้จะไม่ค่อยสงางซาทีนี้การกระทํากุศลหรืออกุศลใดๆก็ตามถ้าคิดตรึกตรองเตรียมวางแผนไว้ก่อนทํากุศลนั้นๆเนี่ยประเภทที่ตรึกตรองประเภทมีมโนภาพเลยนะมีกิริยาอาการเกี่ยวกับการกระทําคําพูดของบุคคลอื่นของคนที่เกี่ยวข้องเนะ่ยเห็นชัดเลยเนี่ยถ้าคน เคยเป็นไหมแบบนี้ประเภททินนึกไว้นะนึกไว้ร่วงหน้าเลยอ่ะ ว, วางแผนไว้เลยว่าจะทำยังไงยังไงยังไงแต่เป็นเรื่องบาปนะประเภทนี้โอ้โหเป็นเรื่องเสื่อหายประเภทที่บอกว่าถ้าจะโกหกพ่อแม่ก็เตรียมเตรียมเหตุการณ์ไว้ก่อนเลยแล้วอีกอย่างก็คือว่าถ้าพ่อแม่ขัดใจใไหม ตนเองจะใช้ลูกงอนลูกอะไรต่างๆแล้วเนี้ยปิดแต่อย่างเงี้ยชัดเลยเนอ้ยเตรียมไว้หมดนะนะแปลว่าเหตุการณ์ปรากฏหมดนี่กลุ่มวางแผนกลุ่มวางแผนนี่กลุ่มคตินิมิตนี่กลุ่มคตินิมิตอันนี้บาปแต่ถ้ากลุ่มวางแผแผนทำบุญอย่างนั้นนะถ้าเราไปจะไปทำบุญแม่ไม่ให้ไปสมมุติอย่างเนี้ยนะ เราจะต้องมีอุบายวิธีเช่นนั้นเช่นนั้นกันี่ก็กลุ่มวางแผนเหมือนกันนะเป็นปุพหะเจตนาวางแผนเหมือนกันนะแล้วกลับมาชื่นใจด้วยนะยเราลอดไปได้แล้วเราไปทำบุญจนได้แม่หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องพยายามกันเราเต็มที่แต่ด้วยเจตนาที่ศรัทธาที่มั่นคงเราก็สามารถที่ไปทำจนได้ตึกที่ไรก็ดีใจ เคยตรึกบาปแบบนั้นมาก็ลองตรึกบุญให้ได้อย่างนั้นลองทําบุญให้ได้อย่างนั้นสักบุญเนยอามาสอดคล้องกันหน่อยจะได้เขาเรียกว่าเริ่มมีคู่แข่งเป็นคตินิมิตรือฝ่ายบุญประเภทที่ประเภทที่ไปยากที่สุดนะนะเช่นบางทีไปยังไงนะในกลุ่มที่บุคคลที่ไปอินเดียนะในกลุ่มเนี้นะกลุ่มเหล่านี้โอ้โหเป็นกลุ่มที่ที่จะต้องคือต้องอดทนสูงอ่ะ ถ้าสมัยก่อนนะถ้าสมัยปัจจุบันนี่็สะดวกรถวิ่งถึงต้นศรีมหาโพเลยนะครับสะดวกมากแต่ยังหนักอยู่เนี่ยถ้าถ้าสมัยถ้าสมัยก่อนเน่เส้นทางก็ลำบากท่านนึงแต่นิด ถ้าสมัยปัจจุบันนี้กนค้างสะดวกนะถึงปุ๊บปั๊บไปหมดนะสะดวกถ้าสมัยก่อนโอ้โหยนั่งรถไฟโอ้โหขึ้นรถไฟกว่าจะได้ ร, รอรถไฟหือทุลักทุเลกับคนที่จะขึ้นรถรถแต่ละคันขึ้นไปก็อัดกันอย่างปลากระป๋องอะไรเงี่ยหมถ้าอย่างนั้นน่ยจแม่นเลยนะนนแค่จะไปเอาบุญตรงนี้ต้องทนทรมานป่นนี้อะไรเงี้ยเนย เรานึกถึงขนาดพระเจ้าบำเพ็ญบารมีและได้ตัตรู้ยังยากกว่านี้ทั้งมากมายทําไมเราทําแบบนี้ดึงทําไม่ได้นี้วัดกันด้วยศรัทธาเห็นไหมทําไมต้องทําสิ่งที่ยากยากเพื่อจะไปเจริญบุญมอ่งไหมแต่อย่างพวกเราเนี่ยแค่ว่าจะไปแล้วมีอุปสรรคเล็กน้อย<ม>ก็บอกก<ฆ>ินลูกท้อกันไม่รู้กี่ลูกเลยบางคนบอกแค่คิดยังไม่คิดเลยก็ได้ในกลุ่มเหล่านี้นก็ยังนานพอสมควร ขนาคคด <c oughs> คิดยังไม่ยอมคิดนะว่าง น, นยบอกเห็นไม่เป็นประโยชน์ด้วยน <c> ะ <oughs> ถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ากลุ่มที่เข้าไปเนี่ยพะเขารักษาพระธรรมเออทำตามพระธรรมที่พุทธเจ้าท่านบอกทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของการ เกี่ยวในเรื่องของการพูดการกระทําของบุคคลอื่นตลอดถึงเขนวัตถุอุปกรณ์เครื่องใช้ในการทําบุญและทําบาปนะที่เกี่ยวข้องการทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือในเกี่ยวกันในเรื่องของการปล้นสะดมตัดช่องย่องเบาวช่อโกงทุจริตต่างๆนะหรือประพฤติทุจริตกรรมใดๆเนะี่ยก็ปรากฏเลยนะสำเร็จเป็นปฏิกิริยาการต่างๆเกิดขึ้นนะ เขาเรียกว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยแค่ทําแต่ละครั้งก็เกิดขึ้นเสมอเสมอในกระแสจิตอยู่แล้วเนี่ยกลุ่มเหล่านี้โอกาสเป็นคตินิมิตได้เป็นอย่างดีนะทีนี้แม้แต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ประกอบกับการกระทํานั้นๆเนี่ยภาพที่ปรากฏบางทีภาพบางอย่างอ้าวภาพบุญและภาพบาปที่เคยทาภาพไหนเด่นชัดกว่ากัน ตรงนั้นนั่นแหละคือมันนึกว่ารู้เลยว่าเราเคยทำอะไรไว้เคยทาอะไรไว้มีอยู่คนคนหนึ่งนะเคยก็ททำกรรมก็กรรมติดเ้าแน่นเลยก็อบอกว่าเคยเป็นโยมผู้หญิงนะเป็นมาเล่าให้ฟังว่าภาพนิมิตเกี่ยวในเรื่องการเอาเด็กออกจากท้องก็ปรากฏก็เห็นอยู่ในโนั้น ดิเห็นที่ไรต้องร้องไห้ต้องไปทําบุญเห็นที่ไรต้องร้องไห้มาทําบุญเออยเนี้ยถ้าลักษณะอย่างนี้ ก, ก็เอบอกเอออย่างนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีก็ต้องหาอุบายในการเจริญบุญให้มากอย่าประมาท ก, ก็เลยเตือนไปนี่เป็นอย่างนี้กรร ม, มอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์นะที่มาปรากฏถามว่าถ้าพระอรหรนะันต์เนี่ย ในเวลาใกล้าตายแหละจะมีนิมิตต่างๆเหล่านี้ปรากฏกับท่านไหมมีหรือไม่มีเป็นอารมณ์ธรรมดาเท่านั้นเองปรากฏกับท่านถ้าเป็นกลุ่มกันปรินิพานธรรมดาก็คืออารมณ์ธรรมดาถ้ากลุ่มเกี่ยวกั น, นเรื่องของบุคคลที่พิเศษก็มีอารมณ์อะไรพิเศษต้องท่าน<ม>อะไรที่ปรากฏเ น, ะนี่นี่ถึง ถึงต่างจากบุคชนคนธรรมดาโดยทั่วไปนะที่พูดไปพูดมาไม่ว่าจะเป็นกรร ม, มอารมณ์คตินิมิตอารมณ์หรือกรรมมนิมิตอารมณ์ปรากฏเนี่ยก็พูดไปพูดมาก็เป็นห่วงกลุ่มเราๆท่านๆทั้งหลายที่ศึกษาวระธรรมกันนี่นะหรือบุคคลที่จะศึกษาพระธรรมกันแล้วให้เข้าใจก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วง และในขณะเดียวกันเป็นห่วงตัวเองอย่างมากด้วยก็ <c oughs> พยายามเจริญบุญอยู่ให้มากที่สุดเพราะว่าตราบใดถ้าบอกว่าเรายังปิดอบายภูมิไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่อย่านิ่งนอนใจต้องไม่นิ่งนอนใจนะต้องไม่ประมาทในกลุ่มที่ประมาทก็ประมาทกันไปแต่กลุ่มที่รู้ตัวเองอยู่อย่าประมาทเด็ดขาดต้องใช้คาว่าอย่าประมาทเด็ดขาด ทีนี้ถ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเวลาใกล้ใกล้จะตายเนี่ยถ้าหากบอกว่าบุคคลเหล่านั้นมีกรรมวาอารมณ์กรรมนิ ม, มิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ปรากฏไหมปรากฏหรือไม่ปรากฏพระอรหรรันต์ปรากฏไหมไม่ปรากฏนะกรรมอารมณ์ไม่ปรากฏเพราะการกระทําของพระอรหันต์นั้นไม่ได้สําเร็จเป็นกุศลเจตนาหรืออกุศลเจตนาแต่อย่างใด การกระทําเป็นเพียงแต่ว่าสักแต่ว่าทำใช่ไหมทําไปตามปกติวิสัยของกายวาจาและจิตใจที่เป็นไปอยู่ในโลกนี้เท่านั้นลักษณะของพระอาหารเป็นแบบนี้ไหมเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ทําเพื่อหวังผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเองสังเกตดูหน่อยว่าเจตนาที่ประกอบกับกิบกริยาจิตของท่านเนี่ยเป็นเจตนาที่ไม่ได้หวังให้มีพพชาติด้วยเพราะมันหมดแล้วเพราะท่านเหล่านั้นหมดแล้ว หมดเจตนาในการที่จะสร้างบุญและบาปที่จะเกิดขึ้นในขันธะสันดานแล้วแต่การกระทาของท่านก็เป็นไปในกายวาจาและใจเหมือนเราเนะมีการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจแต่เรียก ว, ว่าเป็นกิริยาเรียก ว, ว่ากิริยาเป็นเรียกเป็นกิริยาเป็น ถ้าถามบอกว่าการกระทำทางกายทางวาใจนั้นน่ะนะนะกรร ม, มนิมิตไม่มีเนี่ยจะปรากฏได้อย่างนี้แล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่มาปรากฏกับพร า, าระหันเหล่านั้นเนี่ยจะเรียกว่าอะไรต้องบอกไม่เรียกว่ากรร ม, มนิมิตไม่เรียกว่ากรรมอารมณ์เป็นกิริยานิมิตนะ่ได้นะหรือถ้าหากว่าเป็นกลุ่มกรร ม, มอารมณ์ก็คือเป็น ก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นเป็นกิริยาไปานะทำไมให้เข้าใจอย่างนั้นหรือถ้าหากว่าเป็นคตินิมิตอารมณ์ล่ะซึ่งเป็นอารมณ์ที่ต้องไปพบไปเห็นหรือไปเสวยในภพชาติหน้าเนี่ ย, ยแต่ผ้าหาันทั้งหลายนะ่ยไม่มีฉะนั้นคตินิมิตอารมณ์จึงไม่ปรากฏคตินิมิต นิมิต ท, ทั้งสามจึงไม่ปรากฏเกิดพระละหัน์ในเวลาใกล้บริณิพนธ์ถ้าเช่นนั้นพระละหันเมื่อใกล้จะบริณิพนธ์นั้นเน่ยถามว่าไม่มีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่ามีหรือไม่มีมอารมณ์เป็นนามรูปบังเป็นบัญญัติที่ท่านมีความสนใจพิจารณาอยู่ในขณะนั้นเนี่ยเป็นกิริยานิมิต ท, ที่ปรากฏเป็นอารมณ์แก่พระละหันในเวลาที่ท่านใกล้จะบริณิพนธ์เออถ้ากลุ่มสุขาวิปัสสกาพระละหันเละ หรือชาลาพีพระหลัหันเลที่ไม่ได้เข้าฌานใช่ไมไม่ได้เข้าฌานปรินิพานเนี่ยในกลุ่มเหล่านี้ยย่อมมนะีอารมหกปรากฏเนอะอารมหกรูปารมสัทธารมเป็นต้นสรุปคือรูปนามและบัญญัตินั่นแหละเป็นอารมของม ร, รณาสนาโนนะสำหรับชาลาพีบุคคลเวลาใกล้จะตายท่านจะมีอะไรท่านมีพวกฌานบ้างมีพวก กสินบังานาปานาเป็นต้นนะนะเป็นอารมณ์ของท่านก็ชาณจิตเหล่านั้นนั่นเองเป็นอารมณ์ปริณิพานจิตหลังจากปัจเจเวคณวิถีเกิดขึ้นก็ในทํานองเดียวกันนะนะไปพิจารณาอีกทีต่อไปเดี๋ยวขึ้นในเรื่องของหน้าต่อไปแสดงอารมณ์สามอย่างของมรณาสนนาชาวนะและการไปเกิดในภูมิต่ตางๆ ตรงนี้เชื่อมโยงจะมากมายเชื่อมโยงอย่างนี้ไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่นี่เชื่อมโยงแบบแบบประเภทที่บางทีไม่รู้เป็นไงเป็นคนดีมากจะงงในการเชื่อมโยงอะไรแบบเนี้ยบางคนบางท่านอาจจะชอบดูนะแต่ถ้ายังอาจารย์เองจะเป็นคนไม่ค่อยชอบดูตรงนี้เนี่ยดูตั้งแต่ไหน กามสุขติภูมิเจดอบายภูมิสี่ถ้าดูในอบายภูมิสี่นะในอบายภูมิสี่เนี่ยมีอะไรบ้างอารมณ์กัมมาอารมณ์ทางมโนทวานกรร ม, มนิมิตอารมณ์ทางทวานทั้งหและคตินิมิตอารมณ์ทางทวานทั้งหทุกคติอเหตุทุกบุคคลเนี่ยนะเกิดใน ในอบายภูมิทั้งสี่เมื่อเช้านี่ฉันข้าวไปก็เห็นหมดมันขึ้นมาก็ยังปรารบกันกับพระเขามามดนี่ตัวเล็กๆ เ, เนี่ยว่าไงนนเนี่ยลองคิดดูทีเนี่ยถามว่าแต่ละตัวนั้นมีห้าขันนะเอ็มไปหมดนะนะก็มาพิจารณาดูเนี่ยโอ้แต่ถ้าตรึกพิจารณาให้ดีอีกอย่างหนึ่งก็เออเนี่ยถ้าเทียบกับสัตว์นรกเนี่ยพวก สัตย์ราชาญดูเขาจะไม่เขาจะทุกน้อยกว่าแต่ถามว่าเขาสตรีละร่างกายของเขาเนี่ยเล็กปันนั้นเนี่ยถามว่าจิตที่เขาจะตรึกถึงบุญถึงบาปเนี่ยถามว่าจะมีมากน้อยสักเพียงไรใช่ไหมเพราะมันมีวิบากกันเขาหมดเป็นส่วนมากเลยเนะี่ยทีนี้ก็เลยบอกว่าให้สังเกตดูที่โอถามว่าเขามีไหมมีการประชุมฟังธรรมไหมไม่มีเลยใช่ไหม มีที่จะน้อมที่จะเอาตัวรอดในการที่จะหากินอะไรต่างๆต่อเนี่องเข้าไปเนี่ยแล้วานะลอายุเขาก็อยู่ไม่กี่วันก็จะต้องตายอ่ะมรณาสนาวิถีก็จะต้องเกิดขึ้นถามว่าแล้วแล้วไอ้กรรมที่จะปรากฏใกล้าตายของท่านเหล่านั้นจะเป็นยังไงก็พิจารณาดูเนะี่ยเนี่ยเยอะจริงๆว่ะเงี้ยแล้วเขาตายตลอดเวลาเนี่ยแล้วในกลุ่มยัง อย่างอย่างฉันเองเนี่ยนี่ยมที่ดูแล้วเป็นคนที่มองอะไรมันละเอียดเนีไงเวลามองแล้วไปเห็นเนี่ยพอไปเห็นก็ค่อนข้างที่จะตรึกเหมือยกลัไอ้ตรงนเนี้ยนะแค่อย่างจะเข้าห้องน้ำํำเอาแล้วตาก็จะต้องมองไปเห็นสัตว์เต็มไปหมดแล้วมันจะเห็นแบบเนี้ยเห็นในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นี้เราก็ลําบากแล้วทีนี้จะใช้ห้องน้ำจะอะไรแต่ละครั้งทีก็จะต้องไปค่อยๆใช่ไหมหนึ่งเราต้องไม่บาป คือเราต้องไม่บาปจากการกระทำาเงี้ยเกิดขึ้นเนีะเพราะเห็นแล้วถ้าไม่เจตนาไม่เห็นมันก็อีกอย่างใช่ไจะไปหลับหูหลับตาทำก็แปลว่าเราเจตนาที่จะทำอะไรเงี้ยก็เลยต้องต้องพยายามค่อนข้างมากหน่อยแต่จริงจริงก็คือจะต้องทำความสะอาดนั่นแหละมันไม่ทำได้ยังไงใช่ไหมจ้ า, จ า, ก, นนา ก, ก็ยาก ยากที่สุดไม่ใช่ยากธรรมดายากที่สุดถ้าหากว่าผิดพลาดจากมนุษย์ลงต่ําแล้วเนี่ยการขึ้นสูงเป็นเรื่องที่ยากมากไม่ใช่ง่ายเว้นไว้แต่บุคคลที่ตรึกในบุญเป็นอย่างดีคือสามารถเห็น <c oughs> เห็นเห็น <c oughs> คนทําบาปแล้วคิดถึงบุญบ่อยๆได้ถ้ากลุ่มพวกนี้ <c oughs> ค่อนข้างที่จะไปได้ได้หน่อยแต่ต้องคิดจนชํานาญนะแล้วต้องไปเกิดต้องฆ่าเป็น ม, ม, ม, มันมีโอกาสได้อัธยาศัยมีได้เพราะมหามหากุศลเกิดได้นี่ปัญหาคือตรงนั้นนะบางทีมันตรึกถึงบุญแล้วมันไม่มีอุบายจะทําทบุญใช่ไห้แต่อย่างสัตว์นรกเนี่ยมองเห็นมาเคยเห็นคนฆ่ากันทีไรแล้วบุญเกิดบุญเกิดบุญเกิดเป็นบ่อยไหมเห็นคนฆ่ากันเห็นคนเอารัดเอาเปรียบกันไม่ใช่เครียดตามเขาเนะในกล่มที่เครียดตามเขานี่เสียเลยก ล, ลุ่มเราที่เสียหาย การไปดียากถ้าไปพลาดท่าแล้วไปดียากโดยมากรับส่วนบุญได้กลุ่มนี้ก็ลําบากหน่อยก็ต้องน้ําตาไหลไปจะตรึกได้อะไรคือบางทีเนี่ยถ้าเรามาตรึกพิจารณาอย่างนี้นะแล้วเราจะมองเห็นว่าโทษในใบยพูมิเนี่ยมันรุนแรงมากเพราะเรามีเวลานั่งตรึกนั่งพิจารณาได้ถามเวลาแบบนี้มีมากไหมต้องทําเวลาแบบนี้ให้เกิดมากๆ เพราะอย่างนั้นมันจะลืมมันลืมตัวเลยนะคนเราเนี่ยใช่ไหมใช่ลืมไม่เน่ยจะลืมตัวบ่อยแค่เราไปสนนาเรื่องอื่นเนี่ยมันปิดเลยความรู้ตรงเนี้ยปิดหายไปแล้วกระแสจิตมันคิดได้ทีละเรื่องไม่ได้คิดได้ทีหลายหลายเรื่องถามว่าไอ้ที่คิดเรื่องไหนมากมันก็น้อมไปในการที่จะกระทำเช่นนั้นนั้นตรงนี้เวลาเราบางคนได้ยินคาว่าอบายภมก็รีบสะดุง้งสะเทือนบางคนถึงขนาดว่าเป็นงานใหญ่เลยนะ เ อ, อกรารมาฉันทานิวรยังมีอยู่ในกระแสจิตไหมพยาบาทานิวรยังมีอยู่ในกระแสจิตไหมถีนมนนิทธะนิวรอุทะจานิวรแล้วก็วิจิกิจชานิวรยังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ยังไม่ปลอดภัยนะยังไม่ปลอดภัยนะพวกนี้จะคิดตลอดกลุ่มเห น, นี้จะคิดตลอดว่าโอ้ไม่ปลอดภัยเพราะยังมีปัจจัยจะลงอบายภูมินี่ก็คิดอยู่ตลอดเวลาก็หาอุบายวิธีในการที่จะข จับสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆอกลุ่มเหล่านี้ค่อนข้างที่เขาเรียกกลุมมกกล่มมีโอกาสกลุ่มมีโอกาสได้แค่มีโอกาสเนะถ้ากลุ่มที่ไม่ได้กังวลในเรื่องแบบประเภทที่ตนจะได้เข้าถึงเนี่ยนะถ้าเป็นอุประอุประพิตรพังเนี่ยเขาเรียกที่ตนจะเข้าถึงคือทุกขะเขาเรียกทุกขตินิมิตเนี่ยกลุ่มในไบยูมสี่เนี่ยนะเขาเรียกทุกขติ ทุคตินิมิตคือนิมิตในทุคติภูมิทุคตินิมิตเนี่ยนิมิตที่จะไปเกิดในทุคติภูมิเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นพวกกรรมนิมิตหรือคตินิมิตก็ได้ใช่ไหมทุคตินิมิตเนี่ยหรือในกลุ่มประเภทอุปโภคะภูตังเนี่ยที่ตนจะได้รับเนี่ยพวกสุคตินิมิตถ้าสุคตินิมิตก็เป็นสิ่งที่ดีไปแต่อย่างว่านะให้คิดอย่างนี้นะ ถ้ากิเลสยังมีถ้าไม่น้อมไปที่จะละกิเลสอับประเภทที่กลุ่มดีหน่อยไปเกิดในสุคติในเทวภูมิเป็นต้นถามว่าไปพาดในเทวภูมิลงอบายได้ีกมดูดิประเภทที่ไปอยู่ไม่นานก็ลงอีกแหละเพราะมันยังเอาเอ ก, กิเลสออกไปแล้วมันน้อมจะกลับบ้านเดิม <c oughs> <c oughs> ไม่น้องเหมือนกัี่คิดดีก็ยุ่งเลยบางคนคิดว่าโอ้โหถ้าไปบอกว่าเ้เกิดเป็นลิงก็ดีเหมืนันนะถ้าอย่างเราเป็นลิงก็เป็นหัวหน้าลิงโอ้โหยิงย่งยิ่งหนักเลยทีนี้ยังไงถ้าถ้าอย่างนี้น่ากลัวเนี่ยทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นลิงแล้วอ้ ย, อย่างเราเป็นลิงตั้งไม่ไม่น่ากลัวอารมณ์ที่ตนจะเข้าถึงคือสิ่งที่จะเกี่ยวข้อง กับกายที่ตนจะเข้าถึงโดยตรงเลยนะที่ตนจะได้รับก็คือสิ่งที่เนื่องกับกายที่ตนจะได้เสวยสุขและทุกข์ระลวนตรงนั้นนั่นทีนี้นิมิตของนรกเนี่ยนะกรรมหมายถึงอารมณ์ที่มีเปลวไฟและก็คาถาเหล็กนายเนียบานและกสุนักในนรกเป็นต้นซึ่งปรากฏแก่บางคนเนี่ยนะท่านว่าเหมือนเหมือนในที่พำนักของตน อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกขตินิมิต ท, ที่ตนจะเข้าถึงหรือปรากฏแก่แกรแก่บางคนเหมือนกับการจากที่อื่นแล้วห้อมล้อมตนอยู่ตรงนี้ท่านสาธเขาไว้บอกว่านิมิตนรกย่อมปรากฏแก่บิดาของพระโสนะผู้นอนอยู่บนเตียงเนี่ ย, ยคือป่วยอยู่สุนัขตัวใหญ่มากมายก็มาจากเชิงเขาโซนะก็ได้แวดล้อมเหมือนต้องการจะลุมเคี้ยวกิน ลักษณะอย่างเงี้ยคือพระอลูกชายเป็นพระที่บอกว่านอนอยู่บนเตียงลูกชายของเลยพ่อของท่านพระโสดานานี่ก็เหมือนสุนัขมีสุนัขวิ่งลักษณะอย่างนี้เป็นอะไรคตินิมิตไหมเป็นคตินิมิตอย่างนี้ชัดเลยนะคือมาปรากฏเลยนะดีนะที่ลูกชายเป็นพระก็หาอุบายช่วยอย่างนี้เป็นต้นนะนหรือสวนนันทวันสวนจิตลดาสวนมิสกาวันเป็นต้นนะ วิมานเทพป้อนได้มาปรากฏขึ้นเหมือนห้อมร้อมอยู่ลักษณะนี้เป็นสุขตินิมิตถ้าอย่างนี้เป็นสุขตินิมิตอารมณ์ปรากฏเหมือนกับตนเองที่เข้าถึงสถานที่นั้นๆหรือพบเห็นหรือว่าเหมือนกับสีของท้องมารดาที่คล้ายกับพานะนํานําด้วยขนสัตว์เป็นนิมิตของมนุษย์ส่วนเชิงภูเขาไพสนหุบเขาแล้วก็เหวเป็นต้นเป็นนิมิตของสัตว์ดิเรกชัน เพจที่ใกล้าตายแล้วอะไรปรากฏพวกเออามนุษย์นะเห็นไปเห็นเชิงเขาเห็นภัยสนเห็นทะเลเห็นหุบเขาเห็นเหวอันนั้นนะบอกกลับบ้านเดิมนะกลับบ้านเดิมมันเป็นบางคนเชื่อใจใช่ไหมเพราะเคยไปเที่ยวในเรื่องตรงนี้บ่อยๆใช่ไหมแล้วก็เลยบอกว่าโอ้โหยีมิตรเหล่านี้ปรากฏก็เลยบอก โอ้ยพ่อเราแม่เราญาติเราดีนะคิดถึงในเรื่องนี้บางทีเพ้อเลยว่าตนเองกําลังอยู่ในที่ตรงนั้นแต่โดยมากกลัวแต่มากกลุ่มพวกนี้พอปรากฏอย่างนี้แล้วจะเกิดความกลัวเพราะไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยที่มาปรากฏน่ไม่เห็นคนเลยอ่ะมอปรากฏเคยฝันแบบนี้เคยฝันบ่อยไหมโอ้โหทังนี้ก็หนึ่งมากับความฝันแล้วก็เริ่มเริ่ ม, รมตรึกเนี่ย ถามว่าเป็นเป็นเป็นครวาสเคยหากินพวกนี้บ่อยไหมบ่อยไหมโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องหน้าหน้าหน้าตรึกพิจารณาต้องรีบกันนะทั้งกลางวาัทั้งทั้งกลางวันและทั้งกลางคืนต้องฟังว่าทำให้มากขนาดนั้นนะต้องฟังว่าทำน้อมฟังแบบน้อมนะไม่ฟังแบบเล่นๆนะต้องฟังแบบน้อม ฟังแบบจิตนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพุทธเจ้าจะแก้ได้ลำดับแรกก่อนปฏิบัติเอาไว้ทีหลังคำว่ า, าไว้ทีหลังเนี่ยหมายความว่าฟังให้เข้าใจก่อนหนะที่ฟังเนี่ยต้องเป็นพระธรรมด้วยเนะแยกแยะ ก, การฟังให้ละเอียดนอบน้อมให้ถูกและที่สุดจริงๆก็ปฏิบัตินอมที่ปฏิบัติแล้วจะแก้แก้อารมณ์ประเภท น, นั้นแต่ถ้างั้นแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้นะกลับบ้านเดิม เป็นอาจินกรรมอยู่เสมอนะในเวลาใกล้เสียชีวิตเนะี่ยก็ถูกคนอื่นชักยูนห้ลึกตามด้วยหรือระลึกได้เองนะในในถ้าลักษณะอย่างนี้ก็ปรากฏได้แรงของการกระทำเช่นนั้นแหะทีนี้ถ้ากลุ่มที่บอกว่ารับอารมณ์ที่เข้ามาปรากฏโดยประการอย่างนั้นกล่าวไว้โดยเนื่องกับการเกิดขึ้นเป็นส่วนมากนะี่ อารมณ์อันประนีตที่ทำให้เกิดกุศลย่อมมาปรากฏแก่ผู้ที่จะไปสู่สุขติภูมิอารมณ์อันสามที่ทำให้เกิดอกุศลย่อมปรากฏแก่ผู้ที่จะไปทุกขติภูมินะอกุศลกรรมในขณะใกล้เสียชีวิตเป็นเหตุที่มีกาลังนะเพื่อการปฏิสนธิในทุขติภูมิมีกำลังมาก ส่วนกุศลกรรมในขณนะใกล้เสียชีวิตก็เป็นเหตุให้ใหใหใหมีกำลังเหมือนกันเพื่อให้ได้ปฏิสตุที่ในสุคติภูมิถ้าถามบ อ, อกว่าขณะที่นิมิตในสวรรค์มีนางอักษรเป็นต้นปรากฏอยู่เมื่อบุคคลมีความพอใจด้วยอำนาจของตัณหาแล้วจุติเนี่ยกระแสะจิตที่เป็นกุศลกระแสจิตที่เป็นกุศลอันบริสุทธ์ย่อมมีได้อย่างไรสมมตินะนางฟ้ามาปรากฏใช่对对ัหม อปไปมาจะไปเรียนเรื่องไอ้ น, นี้เสมึงไม่เป็นไรนะ<ม>ถกพิจารณาไปเรื่อยๆเพื่อความเข้าใจใช่ไหมถ้าตอนนั้นมาเนี่ยแล้วถ้าหากว่าจิตเราเป็นตัณหาพอใจมากรื่นเริงมากตายตอนนั้นจะไปจะไปะไปจะไปดีได้ยังไงเพราะโดยหลักเขาบอกไปดีเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่ า, างไงบางคนอ้างว่าจิตของเขาเศร้าหมองแล้วทุคติจึงเป็นที่หวังได้เนี่ย ถ้าในกมพีปฏิสามพิทามากกว่าตันหาเช่นนั้นเป็นเหตุให้เกิเกดร่วมกับร่วมกับกุศลกรรมเอาว่าในขณะยินดีในการมาภูมิอกุศลเชวนะจิตที่มีเหตุสองย่อมเกิดขึ้นตันหาในการในการก่อให้เกิดสุขติภูมิเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดร่วมซึ่งเป็นการกําหนดภาพของกุศลกรรมดังนั้ น, เ, นเมื่อเขาพอใจนางเทพ อ, อักษร เป็นกา ร, รมิมิตรของกุศลกรรมที่จุติตัณหานั้นก็ควรเป็นเครื่องอุปถรมกุศลมิใช่ห้ามกุศลตรงนี้ท่านยกพุทธวจนะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตถูกครอบงำด้วยความพอใจในรูปร่างนี่นะคืออวัยวะน้อยใหญ่อยู่ถ้าเขาพึงเสียชีวิตในการนั้นการที่เขาจะไปสู่พบใดพพหนึ่งในพบที่สองคือไปสู่นรกหรือกาเนิดสัตว์เดรัจฉานข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ เดพุทธพจน์ว่าอย่างเนี้เพราะพุทธพจน์นั้นหมายถึงตันหาที่พอใจมือเท้าเป็นต้นของตนหรือของผู้อื่นมิใช่ตันหาที่พอใจในกรรมเป็นต้นท่านฟังตรงนี้ละเอียดนะตรงนี้ละเอียดหนะึ่งปัญหาคือยังไงมันมีจริงๆริงใช่ไหมในกลุ่มของบุคคลที่เวลาเกี่ยวกับสิ่งแล้วนะ้นตอนนี้ก็พอใจแต่ความพอใจมันจริงๆแล้วต้องเกิดก่อนนั่นแหละนะยินดีตรงนั้นแต่ตัวตัวจิตที่เกิด หลังอย่างนั้นมาต้องเป็นบุญจะต้องอุปธรรมกุศลเกิดตัณหาตรงนั้นต้องอุปธรรมกุศลจึงจะไปสุคติได้ใช่ไหมใชะถ้าเป็นตัณหาเกิดก่อนใช่ไหมยยินดีพอใจแต่แต่แ ต, ตตตแต่เป็นคตินิมิตเหมือนกันไงไนเป็นคตินิมิต<ม>ใกล<ม>้กลชิดใกล้ชิดใกล้ชิดแต่ว่าเปลี่ยนช่วงที่มานานที่เกิดก็เปลี่ยนถ้าอย่างนี้ได้แต่ถ้าจะให้เป็นอกุศลชาวนะจุติแล้วปฏิสนธิไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาด แต่อย่าลืมนะว่ากุศลเนี่ยเป็นปัจอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเนี่ยเป็นไนดะ้แต่คนละวิถีลวคนลวิถีแต่เป็นจริงๆนะเอาอย่างนี้ลักษณะที่ที่แรกนะยินดีพอใจแต่ถ้ายินดีพอใจตรงนั้นแล้วเป็นมรณาสันนวิถีเลยนะเรียบร้อยเลย <c oughs> ก็เรียบร้อยไป <c oughs> แต่โดยส่วนมากนะ โดยส่วนมากถ้านิมิตของบุญแล้วเราเคยทําบุญประเภทนั้นมาแล้วน้อมชาวนะเป็นอารมณาปัจจัยกับชาวนาที่เป็นบุญแน่นอนเพราะตอนนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้เด็ดขาดมันเหมือนถูกล็อกไว้เลยล็อกทั้งวิถีจิตที่เกิดในครั้งสุดท้ายล็อกทั้งอารมณ์ใช่ไหมขนาดคนจะไปเปลี่ยนตรงนั้นจะเปลี่ยนยากอยู่แล้วใช่ไมไม่ใช่เหมือนถูกล็อกแล้วมันเหมือนอย่างงี้ เหมือนเราเดินเดินเดินเดินไปเนี่ยเดินเดินไปแล้วถูกห่วงห้องนั้นปุ๊บเลยล็อกประตูเรียบร้อยแล้วทําอะไรไม่ได้คิดตามนั้นอย่างเดียวตรึกตามนั้นอย่างเดียวเขาเลือกอารมณ์ที่ล็อกแล้วล็อกตายตัวแล้วมันใกล้จัดถ้าจะช่วยต้องช่วยก่อนหน้านะั้นต้องน้อมจิตก่อนหน้านะั้นล็อกให้เปลี่ยนอารมณ์ให้ได้เพราะเขาจะมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมอารมณ์ประเภทนี้จะมาปรากฏก่อนโดยส่วนมากโดยส่วนมากจะมาปรากฏก่อน แม่ถ้าพูดถึงล็อกเนี่ยไกลุ่มที่เคยดูหนังใช่ไหมไกลุ่มที่เคยดูภาพยนตร์ดูอะไรต่างๆตัๆตเนี้ไอ้เครื่องบินเวลามันขึ้นไปแล้วมันจะยิงกันเนี่ยมันจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้นล็อกใช่ไหมล็อกอีกคันอีกเครื่องหนึงนะ่งเพื่อจะกดไอ้ระเบิดกดปืนที่จะเข้าไปทําลายเครื่องนะเหมือนอย่างนั้นเนี่ยตนี้พูดโอมาให้เนีนเขาฟังแล้เห็นเน้นเขาดูบ ถ้าดูตรงนั้นก็นึกอย่างนั้นนะบอกว่าถ้าภาพเหล่านี้ถ้าเป็นล็อกเราใกล้ตายขึ้นมาเนี่ยไอ้ภาพกำลังตื่นเต้นตรงนั้น น, นนะถามว่าเราควรไปไหนก็ถ า, ถามตัวเองปบปอยตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยทีนี้กุศลกรรมหรืออกุศลรรกรรมของของเขาเนี่ยย่อมน้อมมาเหนี่ยวรังไว้เฉพาะหน้าเหนี่ยวรังไม้มเหนี่ยวรังไว้เฉพาะหน้า กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมของเขาหมายความว่ากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมของเขานั้นนะ่ยร่วมกันกับกรรมนิมิตรหรือคติ น, นิมิตที่ตรัดไว้ที่ตรัสไว้โดยความเป็นกรรมเป็นประธานเนี่ย น, นะตำรับที่บอกว่าสมน้อมมาเป็นต้นหมายความว่าน้อมเอากระแสจิตของเขามาแล้วเหนี่ยวลังไว้เฉพาะหน้าในตนถูกล็อกไหมแบบนี้และคือปรากฏเหมือนฉุดดึงไปอ่ะแปลว่าแรงดูดในขณะ ใกล้ในมรณาสนาจะแรงมากเมื่ออารมณ์เหล่านั้น น, ะน้อมมาอยู่เช่นนั้นกระแสจิตนั้นเป็นสภาพที่น้อมไปในอารมณ์ดำกล่าวเนี่ยนะฉะนั้นท่านจึงกล่าวบอกว่าเหมือนกับการเข้าสู่อารมณ์ตามที่ปรากฏนะั้นตั้หาย่อมยังจิตที่ถูกแรงกิเลสให้น้อมมาอยู่น้อมมาอยู่ไหนน้อมอยู่อย่างนี้ทําให้น้อมไปสู่อารมณ์น้อมไปสู่อารมณ์ซึ่งถูกอวิชชาเนี่ย บดบังกลางกั้นเข้าไว้ปิดบังโทษไว้ไม่เห็นไอ้ตรงนี้ถ้ากลุ่มตัณหาเกิดนะเอาวิชาจะปิดใช่ไหมปิดอะไรปิดทำให้ท่านบูนนั้นไม่เห็นโทษไอ้ตรงนี้คนถึงทำบาปได้อย่างอร็ถอร่อยถ้าทำบาปด้วยด้วยราคะมันจึงทำได้นานทำได้อรรถอร่อยใช่ไหมใช้คำคำนี้คงไม่น่าเกลียดคือทำด้วยพอใจอะ่ะเพราะยังกาจัดตัณหาและวิชาไม่ได้ จะจะเสียหายตรงเนี้ยทีนี้ส่วนกุศลกรรมเนี่นะและกุศลกรรมที่ปรุงแต่งเนะ่ยอันเกิดร่วมย่อมซัดไปสู่ภูมิใหม่มองเห็นไหมคือตัวตันหาเนี่ยล็อกไว้อยู่แล้วใช่ไห ม, ม อ, อ, อย่างไรตันหาและอวิชาอาวิชากลางกาง้านตันหาก็ล็อกที่กุศลกรรมอากุศลกรรมมองออกไหมเออถ้าสมมตุติในกลุ่มพวกเราถ้าจะตายหมายถึงกลุ่มกลุ่มที่ยังมีกิเลสตันหานี่นะ ถูกตันห า, าวิชาล็อกไหมอยู่ในขายของเขาอยู่ไหมยังอยู่ในขายกลุ่มเหล่านี้มีโอกาสที่ถูกกุศ ล, ลกรรมอกุศ ล, ลกรรมนั้นส่งผลได้หมดเลยใช่ไหมอยู่ที่ว่าแม้แต่กุศลชาวนะเกิดขึ้นในขณะนั้นก็อยู่ในขอบข่ายของตันหาและอวิชากางกันอกุศลก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วก็แปลว่าเขาล็อกไว้แล้วว่าถ้าเกิดเออถ้าตายแล้วเนี่ยก็จะต้องไปเกิดนี่เขาล็อกไว้ยงไง ตายแล้วต้องไปเกิดอยู่แล้วในกลุ่มเรานี้ดับไม่ได้ดับว่าตาไม่ได้กลุ่มพวกเราเนี่ยถูกอะไรถูกตันหาเป็นเครื่องประกอบถูกอวิชาเป็นเครื่องกลางกันเขาเรียกว่าล็อกเบ็ดเสร็จแล้วก็จัดการให้ผลตามไปประเภทที่จะให้ประเภทไหนให้ไปทรมานโดยการไปเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นบุตรทํางานทําการเนี่ยรับผิดชอบนี่บุญให้หน่อยที่จริงขำว่าบุญให้เนี่ยมันดีหรือไม่ดี啊 ก็ให้ไปเพื่อไปทุกเนี่ยใช่ไหมใช่ใชเขาล็อกไว้ไหมอ่ะอวิชาเนี่ยจะปิดไว้เลยก็ก็ว่าไปประเภทที่ว่ามันอยู่ที่กลุ่มว่าในวาระสุดท้ายน่ะใครจะมาเป็นตัวส่งผลใช่ส่งไปสู่พบใหม่ต่อไปก็แปลว่าประเภทที่จะถูกฆ่าแบบทันทีแบบทรมานแบบรงแรงหรือประเภทที่ประเภทค่อยเป็นค่อยไป จตดัขึ้ น, สนหสทก็ากสนเีสยขีขตัณหาเนี่ยนะย่อมทำให้น้อมไปก็หมายถึงตัณหาที่เป็นรากเหง้าของภพย่อมประกอบในกระแสจิตเข้าไว้ทำให้น้อมไปสู่อารมณ์นั้นเลนะนี่จะเป็นอย่างนี้เออมาพิจารณาอย่างนี้ ในกลุ่มที่ยังละไม่ได้อย่างเราเราท่านท่านทั้งหลายก็เป็นเรื่องที่มันเหมือนกับแม้มาเก่งอยู่ในอะไรนะประเภทที่เราเก่งเราจเจริญกุศลได้อะไรได้แต่หารู้ไหมเอาวิชาและตัญหาที่เป็นเจ้าพ่อใหญ่ๆเนี่ยนะนั่งยิ้มถามว่าเอางี้ถ้าจะพูดไปบอกว่าสร้างบ้านนะสร้างให้ใคร <laughs> ใช่ไ ถามว่าจริงๆแล้วในที่คนที่สั่งให้สร้างนี่ยคือใครบอนั่นแล้วใครเหนื่อยขันนี่แหละเหนื่อยมันใช้ขันเรารุนแรงมากนะตัณหากับวิชาเนี่ยใช้รุนแรงมากบางทีใช้บางอย่างนี่ดูแล้วออืกลับมาแล้วก็มานอนภูมิใจที่ถูกใช้ภูมิใจไหม ภูมิใจที่เขาให้ตาให้หูให้จมูกให้มาบอกเอาไปดูแลเนี่ยภูมิใจไหมบางทีมันน่าดีใจนะถ้าก็มีคนจะให้สตังเราเนี่ยสก้อนหนึ่งให้ไปดูแลเดี๋ยวก็ใช้ได้ด้วยให้ตาไปเนี่ยเพื่อจะไปดูได้แต่ดูแลให้ดีนะตัณหาวิชาให้มาไหมปิดกันประกอบไว้ไม่ให้ไม่ให้ออกจากตาไม่ให้ออกจากหูได้ยังไม่เนี่ย กรรมเหล่านีก็ว่ากันไปใ น, ในบรรดาภพภูมิทั้งหลายอารมณ์ทั้งสามอย่างเหล่านี้ก็มาคอยป้อนในวาระจะเปลี่ยนภพมาคอยป้อนให้เป็นกรร ม, มาอารมณ์มาคอยป้อนบางแต่กรรมนิมิตอารมณ์มาคอยป้อนนะคตินิมิตอารมณ์มาคอยป้อนนะถามมาตามขายมาตามแรงกรรมว่าไงหนึ่งมาตามแรงกรรมว่ารับอารมณ์ประเภทนี้แต่ตอนนั้นเองคิดเช่นนี้เช่นนี้สัตว์ผู้นั้นคิดอย่างนี้อย่างนี้ เหมาะสมแก่กรรมประเภทไหนจะส่งผลเขาก็ส่งผลไปก็ละหกละเหินกันไปอย่างเงี้ยบางคนไปเกิดอย่างวโซ่โดไปเกิดเป็นสัตว์ดิดาชานไปเกิดเป็นช้างเนี่ยโอ้โหถามเป็นเพศเป็นช้างพังหรือช้างพายแล้วอยู่ในฐานะอะไรก็ว่ากันไปถามแล้วไปไปเป็นของใครด้วยอยู่ในป่าหรือมีเจ้าของอะมีแยกแยะด้วยเนี่ย ต้องแยกแยกไปเมื่ออยู่ในป่าหลือในเจ้าของและประเภทที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยก็เบิดเสร็จหมดนะจะสันให้นะแต่ต้องดูแลไหมต้องดูแลน้าหนักกี่ตันว่าไปกินอาหารวันละกี่ตันก็ว่าไนะนี่แหะคือวะตะัตตามองอย่างนี้เราเป็นยังไงเอามาดูตรงนี้ในดูกลุ่มของอบัยภูมิในอบัยภูมิที่ท่านบอกสุขคติทุกคติรติเหตุกับบุตรชนอะไรนะ ขอโทษทนี่ติเหตุกาขอโทษทีนี่ยสุขติอเหตุกาบุคคลหนึ่งทวีเหตุกาบุคคลหนึ่งติเหตุกาปุตุชนหนึ่งนี่อันนี้ไปยังไงเนี่ยในกลนุ่มเราเนี้ยทําวนยังไงงงง ง, งยู่นี่ยี่นี <c oughs> มองออกมาช่ยอธิบายตรงนี้หน่อยทีนี่นะติเหตุกาปุตุชนที่ได้รูปปัญจมชฌานแต่เจริญประเภทสัญญาวิราคะภาวนา เป็นเจตนาที่ไม่เอานามขันธ์สี่หรือเห็นโทษของนามขันธ์สี่ไม่ปราถนามีนามขันธ์สี่ปราถนารูปขันธ์อย่างเดียวทีนี้พอในมราณาสันนการของสุขติอเหตุกุกบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นพวกคําว่าสุขตินี่ตอนตอนเป็นมนุษย์เขาเป็นติเหตุกบบุคคล น, นะ เป็นชาลลาพีบุคคลด้วยเป็นชาญลาพีบุคคลที่ได้ฌานได้รูปปัญจมชฌานเด็กเขาเจริญสัญญาวิราคาภาวนาไม่ปรนาถนานามแ ต, แต่ถ้าอยู่ในูไม่ได้อันต อ, อยู่ในก่มกเป็นใช่ใช่ทีนี้กลุ่มเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้ไม่น้อมไปทีนี้พอ จเจริญอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วพอใกล้จะตายมรณาสั น, นะวิถีท่านเกิดใช่ไหมโดยการที่ชานเกิดแล้วมรณาสั น, นะวิถีก็มีบัญญัติการรมนิมิตเป็นอารมณ์ที่บวกด้วยเจตนาของท่านต้องการจะดับนมามธรรมนั่นแหละก็ทําให้ปฏิสนธิด้วยรูปเขาเรียกชีวิตตะนวากากราบทําปฏิสนธิในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิทันทีเลยห้าร้อยมหากับทันทีอยู่บนนั้นอยู่ในภพนั้นอยู่ในภูมินั้น เขาเรียกว่าเป็นสัญญามาจากสัญญาวิราคาภาวนาเป็นสัตว์ที่ไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาทําไมจึงเรียกว่าไม่มีสัญญาเพราะไม่มีนามขันทีนี้พออยู่ตรงอยู่ในภูมินั้นแล้วครบกําหนดครบเงื่อนไขถ้าไปอยู่ในสัญญาสตวภูมิต้องเรียกว่าเป็นสุขติอเหตุกบุคคลโดยสงเคราะห์เข้าไปเพราะไม่มีเหตุอยู่แล้วเป็นรูปปฏิสนที่อย่างเดียว เดินในรายละเอียดไปดูอีกนิดหน่อยแต่ตอนนี้พอดีคนไม่เจออยู่ในนี้ที่เหลียดคนก็หลังจากนั้นพอตายหมดอายุไข500่ห้าร้อยมหากับไปอยู่บนนั้นหมดสิทธิ์ที่จะไปคิดว่าเอาครึ่งเดียวเอาต่ออะไรอย่างนี้เจริญช้านต่ออะไรไม่ได้อย่างเดียวก็แปลว่าไปไปเจริญไปรับผลอย่างเดียวเนะแต่แต่แต่มีปีกรรมม่ชรูปเนาะ รูปนั้นเกิดจากกรรมนะถ้าพูดกันอย่างภาษาเล่นๆนะถ้าสมมุติไปทำได้เนะี่ยไปทำให้ทาให้ขาดลงเนะี่ยเป็นปฏิบาติเนะยไปตัดรอนรูปประชีวิตเนะี<ช>่ยใช่ไหมไม่ได้นะนะเพราะเป็นกรรมไม่ใช่รูปนนก็อย่างเดียวจะเอาเจตนาที่ไหนเอาจิตที่ไหนไปคิดทำคือเขา มันไม่ใช่คิดได้อย่างนี้นั่นเขาเข้าใจว่าเป็นนิพพานของท่านเป็นนิพพานนะเป็นว่าดับแล้วนะความเข้าใจพลาดเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งที่มีความเห็นผิดพลาดอย่างนี้ถือว่าเก่งเลยคิดจนคิดจนแต่ไม่นะ่า <c oughs> เก่งเก่งนะ้ายกยอ่ยองไมนะ้แล่ะอย่างนี้ไม่เรียกว่าเก่งคิว่านิพพานนะพรู้ทีผมทีโอ๊ต พระโพธิสัตว์ไม่เป็นออปรพระโพธิสัตว์จะไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดแบบนี้เราจะไม่ไปเป็นอย่างนี้เลยเอาตรงนั้นก็อิงอย่าก็เข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพระโพธิสัตว์แล้วไม่ไปแล้วความเห็นอย่างนี้ไม่เกิดแล้วถ้าหลังจากนั้นนะเมื่อหมดอายุก็มีอปปราปะระเวทนียกุศ ล, ลกรรมในภพที่สามส่งผลในมรณาสถานการ ทำปฏิสนติให้เกิดขึ้นใหม่ในการมาสุคติภูมิ น, นี่นี้กลุ่มหนึ่งอ่ะนะเนี่ยนันตรงเนี้ยมีเราเข้ามาอีกแล้วมีเราเข้ามาอีกแล้วตรงนี้นะสุคติเหตุกาบุคคลติเอทวีเหตุกาบุคคลติเหตุการบุตรชนแล้วก็ผลเบื้องต่ํา สคือโสดาและพระสกอาธาเนี่ยนะก็มีพวกกรร ม, มาอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์นะมีกลุ่มเหล่า น, นี้สุขติทวิติเหตุกับปุถุชนเนี่ยลงอบายถ้าเป็นพระยะบุคคลงอบายไม่ได้นะลงอบายไม่ได้ทําไมเขาเขียนโนบลงแนวบายตรงนเนี้ยเขียนเฉพาะสุขติกับทวิติเ ต, ต, ตหนึ่งด้วยนะ ส่วนผลนี่ไม่ได้แล้วผลนี่ไม่ลงแล้วนะต่างๆนี่อยู่ตรงกามุติภูมิเเออแยกแยกตรงนั้นทีนี้ผลเบื้องตามสามอยู่ในการมสศุกติภูมิเจ็ดเนี่ยนะได้แล้วก็เป็นถ้าเป็นผ้านาคาใช่ไหมเนี่ยเออไม่ใช่ติเหตุกับุรชนหนึ่งนะผลสามผลสามก็คือโสดาผลสกาทาคาผลน า, นาคาผลเนี่ยในกลุ่มที่ได้ฌาน ตีเหตุการที่ได้ฌานนี่นะตีเหตุุกาบุคคลที่ได้ฌานนี่เป็นฌานราภีบุคคลด้วยแล้วก็ผลเบื้องต่ำสามอันนี้ก็กลุ่มที่ได้ฌานนี่นะบัญญัติกามมนิมิตธรรมารมณ์ในกลุ่มนี้ไปไหนไปไหนเฉพาะผ้านาคามีที่ได้ปันจมมฌานและที่มีอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้าจะไปสุทธาวาสภูมิแต่ถ้านอกนั้น ที่ไม่มีถ้าเป็นผ้านาคาไม่มีอินทรีย์แก่ก้าเป็นต้นก็น้อมไปในรู ป, ปรภูมิสิบเว้นสัญญาเว้นสุดท่าวาดนี่นะทีเป็นงี้ทีนี้อะไรอี ก, ก้าเนี่ยเ ว, เว้นเวหาบเนี่ยอะไรเนี่ยอาหาตผลใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้ไม่แน่ใจนะตรงเ น, น, นี้ยนิยมมาจากอะไรคะน่าจะเป็นอาหาตผล จากรูปภูมิก้าวเว้เวนเวหับพราภูมิขึ้นไปสู่สุทธาวาสภูมิได้ผ้านาคาคตโตตีผ้านาคาผ้านาคาที่อยู่ในรูปภูมิรูปภูมิก้าอนาคามีผลไม่ใช่พ้าอรหันนะแม้แต่พ้าอรหันยังจะไปนู้นนี่กระยุ่งเิยนี่เปอธิบายโดยตรงนี้เดี๋ยวผิดอีกผ้านาคานะเน้นนะ พระนาคาไปสุดทาวาสภูมเิเว้นเว้นเวหภาราทําไมจึงเว้นเวนหภารานั้นเป็นเป็นปุตุชนเพราะวาา่าเป็นยอดภูมิแล้วแต่ว่าไม่ไม่เลืนคะเป็นยอดของของอเป็นยอดของของ พอาจารแ ล, แล้วถ้าพาอนาคาที่ได้ปัญจมชญัชฌานพระนาคามิ้พื่อนะคะไดปัญจมัชาด้วยแต่อินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่แปรร่าจะต้องไปไหนก็อยู่ในรูปภูมิแล้วก็ขเขาได้ปัญจมัจมชฌานแล้ ว, ลไไวก็ไม่ก็ต้องไปเวหาหรือเป่าคือจะได้ปัญจมชฌานแล้วอในรูปภูมิอ๋อก็ใช่ใช่ไปอยู่ในนั้นะที่เขาท่านเว้นออกไว้ไง ที่ท่านเว้นไว้น่ัเ่คคือหมายถึงว่าผู้ที่จะไปอยู่สุทาสทาวาสภูมิเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดเลยหรือเปล่าคือเป็นพระอนาคามีที่ได้ปัญจมจานอย่างเดียวหรือว่าต้องมีศรัทธาวิริยสติสมาธิอินทรีย์เป็นต้นแก่ก้าเถามว่าในในอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยไม่แก่ก้าวก็เวหาพลาถึงแม้จะได้ปัญจมัานก็จริงใช่เวหา ใช่ใช่ถ้าอินทรีไม่กล้าก็ไม่ไใ ช, ใช่ใช่ใชทีนี้พระนาคาผลหนึ่งเกิดในสุทาวาสภูมิที่สูงขึ้นไปก็มีพวกบัญญัติกรรมนิมิตเป็นต้นนะอันนั้นก็เป็นรายละเอียดที่เค ย, เ, ยเคยเค ย, เคยกล่าวไว้ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรตรงนั้นเลยทีนี้ทีนี้อะไรกันล่ะติเหตุกุกะบุคคลหนึ่งผลบุคคลสามกลุ่มเหล่านี้ไปไหนกรรมบัญญัติกรรมนิมิต มหาคตากามนิมิตแล้วก็พอกลุ่มก ร, รมธรทำกรรมนิมิตเนี่ยนะคตินิมิตนิมโนทวาหนีไปก็ไปเป็นตีเหตุกับปุถุชนในรูปส่วนอารูปบุคคลเดยวขอเททีส่วนผลบุคคลสามไปเกิดในรูปก็มี <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไปจากการมสุขติภูมิเจ็ดเนี่ยเน้นพรผ้านาคาบางกลุ่มก็ไปสูงเลย เนี่ยรูปภูมิมาจากรูปภูมิมิก ม, ม, ม, มาเน่ยรูปของตัวนีไปใช่ตีเหตุกากับผลสามเนี่ยในการมาสุคติที่ไปเกิด